อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความลักษณะให้เห็นว่าสูตรนี้พระองค์กล่าวถึงความเศร้าหมองคือโจรผู้ถูกเจ้าหน้าที่จับได้พร้อมทั้งของกลางที่ทางเข้ารั้วบ้านย่อมถูกฆ่าย่อมถูกจองจําด้วยกรรมของตนฉันใดหมูสัตว์ผู้มีปกติทำบาปนี้ตายแล้วย่อมถูกฆ่าถูกจองจําในภพหน้าด้วยกรรมของตนฉันนั้น เช่นว่าไปปล้นเนี่ยนะไปปล้นแล้วฆ่าเจ้าทรัพย์ออกมาอยู่หน้าบ้านพอดีตำรวจมาถึงจับเข้าเลยอย่างเงี้นะไปไหนดี น, น, นะนะปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์โดยมากก็ถูกประหารว่าถูกฆ่าถูกจองจําฉันใดคนที่ทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็เหมือนกันบางคนชาตินี้อยู่เหนือเหนื อ, อหลายๆอย่างนะเหนือกฎหมายเป็นต้นไม่เป็นไรชาติหน้าต่อไปก็จะถูกฆ่าถูกจองจํา เราสังเกตดูบางคนเนี่ยนะไปนำถูกฆ่าโดยที่เรียกว่าแทบจะไม่มีเหตุผลทำไมจึงถูกฆ่าทำไมจึงประสบอุบัติเหตุตายตั้งอายุอย่างน้อยอันนั้นแหละก็ผลกรรมของตนที่ตนเคยทำเอาไว้ในอดีตทาไมเราถ้าเราเดินไปตลาดจะเห็นปลาเป็นต้นถูกทุบหัวเนี่ยนะไปโรงฆ่าสัตว์หมูถูกฆ่าเป็นต้นวัวถูกฆ่ากระเบือถูกฆ่าเหล่าสัตว์แพะแกะไก่เป็นต้นถูกฆ่ามาจากไหน ก็มาจากกรรมที่ตนเคยทำไว้ในอดีตก็อย่างที่กล่าวว่าบาปในอดีตอยากคิดว่าเขาจะลืมเราเพราะกรรมที่ทำสาเร็จกิจไปแล้วที่จะให้ผลเป็นสุขไม่มีกรรมชั่วนะกรรมชั่วที่ทำสาเร็จแล้วให้ผลเป็นสุขไม่มีเหมือนกับเราเนี่ยนะสมมติถ้าเราทาความชั่วหนึ่งครั้งฆ่าสัตว์หนึ่งทีเท่ากับเราเนี่ยวางมือปืนเอาไว้ดักให้ฆ่าเราบอกว่าถ้าก็จ้างมือปืนไว้เบ็ดเสร็จเลยนะ ถ้าแกหาฉันพบที่ไหนเมื่อไรยังไงนะแกต้องอย่าปรานีฉันเลยให้แกกรีบฆ่าที่สุดเท่าที่จะฆ่าได้แล้วฉันจะหนีเองนะคิดว่าหนีพ้นไหมผมว่าถ้าฆ่าหนึ่งครั้งก็วางศัตรูไว้หนึ่งคนถ้าฆ่าเป็นสิบยี่สิครั้งก็เท่ากับ ว, วางศัตรูเอาไว้ขนาดนั้นเนีศัตรูก็ตามหลังมาเป็นพรานนะตามมาทันที่ไหนเนอถ้าตามทันที่ใดต่อให้อยู่บนท้องฟ้าก่อนหนี้ไมพ่พ้นมุดไปอยู่ใต้ทะเลพ้นไหมเอาไหมพ้น หนีไปอยู่ในซอกเขาเผื่อจะพ้นก็ไม่พ้นไม่นานเนี่ยมันมีไอ้สงครามสมัยสงครามเวียดนามไอ้พวกพวกเวียดนามก็เจาะขุดลุมเข้าไปเนี่ยนะพอขุดลุมเข้าไปก็อยู่ในในรูข้างล่างนะอยู่ในในถ้ำข้างล่างฝรั่งทํางไงพ่นเคมีลงไปเลยพ่นเคมีไปก็เหมือนกับว่าเหมือนกับแมลงอยู่ในรังไนยะพวก แค่พวกปลวกพวกแมลงอยู่ในรังกนะ็ฉีดสเปรย์เข้าไปพ่นตายเกลี้ยงอยู่กับรังฉะน a นมนุษย์ทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันนพะันบาประกรรมที่บุคคลทําไว้นี่นะมันพร้อมจะตายได้กับที่ทุกขนทุกแห่งอย่างอะไรนะอย่างเมืองจีนเนี่ยไอฐานหินเนี่ยโอ้ยตายประจําเลยเมืองฐานหินข้างล่างนะทนักงานตายเป็นเรื่องปกติเลยรั้นถามว่าความชั่วที่ทําไว้แล้วจะหนีไปอยู่ที่ไหนที่จะพ้นจากความตายนี้ไม่พ้นหรอก นะขึ้นบนเครื่องบินเขาก็บอมเครื่องบินตายเกลี้ยงหมดหรือนี้ไปอยู่ในเรือที่ทะเลก็ตายอยู่ข้างทะเลเนี่ยจับเขาโยนลงทะเลเลยนะไปอยู่ที่ไหนจะพ้นจากบาปพ้นจากความชั่วที่ทําไปแล้วเนาะแม้ถ้าไปเกิดเป็นหมูเออเป็นกุ้งเป็นปลาไปเป็นปูอยู่น้ําลึกเขาก็ยังไปงมมามากินอีกอย่างนะนี้ไปอยู่ที่ไหนเหรอมันพ้นไม่มีพ้นนะีถ้าเกิดเป็นคนด้วยนะยิ่งความชั่วเนี่ยนะโอ้ยประกาศจับเลยนะ ทั่วโลกนี้ไปอยู่ที่ไหนเถอหนีไปให้พ้นไม่ให้มีพ้นเพราะฉะนั้นความชั่วไม่ทำเนี่ยมันดีที่สุดเพราะทําแล้วใครเดือดร้อนละ่ะอย่างสมมุติถ้าเราทําความชั่วพระพุทธเจ้ามาเดือดร้อนเพวกเราไหมไม่เดือดร้อนแล้วทําไมพระองค์สอนเราละ่ะก็เพราะว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านกลัวทุกข์ท่านอย่าทําชั่วถ้าท่านทําชั่วแล้วท่านนี้ไปอยู่ที่ไหนนะที่ท่านจะพ้นจากความชั่วไม่มีรอ่องพันการแสดง สังกิเลศความเศร้ามองด้วยตัณหาทิฐิทุจริตพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เราทําสูตรจริตแต่ทีนี้ไอ้บอกว่าจงเลิกทาชั่วเธอหันมาทําดีๆไม่ค่อยเชื่อต้องเล่าให้ฟังว่าถ้าแกทําชั่วอย่างนี้แล้วมีผลอย่างไรก็เล่าให้ฟังอนะแต่เชื่อไหมไม่ค่อยจะฟังได้ยินแต่ไม่ได้ฟังเอา้ามันเป็นยังไงวะได้ยินแต่ไม่ได้ฟังได้ยินก็เหมือนอะไรนะเหมือนกับเคยได้เนหะ็น ทำไมแบบไปรุ่นหน่อยพ่อแม่สอนอะไรเนี่ยได้ยินอ่ะนะได้ยินเสียงบ่นของพ่อแม่แต่ได้ยินไม่ได้จะตั้งใจจะรับปฏิบัติเพราะไม่ได้ตั้งใจฟังเพื่อจะเอาไปปฏิบัตินั่นจะว่าอะไรก็ว่าไปไม่ได้คิดจะทําตามซะหน่อยอะนะก็ว่าไปก็ได้ยินก็ถือว่าเฮ้ยอย่าบ่นมักเลยนะถ้ายิ่งแบบกลุ่มกลุ่มคนที่ระดับหนึ่งก็บอกตะคอกใส่พ่อแม่แล้วก็เดินแบบเท้ายักนะเหยียบบ้านทีหนึ่งก็ตนันวันไว้ไปหมดแล้วก็ออกบ้านหนีไปเนี่ยนะ ยิ่งใหญ่เลือกเกินเนี่ยนะแต่เธอเอาเธอพอตอนหลังนะมีลูกลูกมันเจริญรอยตามทุกเกือบทุกกระเบียดนิ้วแล้วมันทําหนักกระเกาอีกนี่ดิเราบอกแม่ลูกฉันนี่มันเรวอย่างงั้นเร็วอย่างเงี้ยนะแล้วแต่สมัยเป็นเด็กดีนักหรือไงอย่างัเนี้ยนะก็พอกันนั่นแหละประมาณนั้นเนะจงก็กรรมใดที่บุคคลทําใดก็จะสมควรแก่แก่กรรมนี่นี่นชาตินี้นะและชาติต่อต่อไปพบต่อต่อไปล่ะบรรความชั่วที่ทําแต่ละครั้งเนี่ยนะอย่าคิดนะว่าใครมองไม่เห็น เพราะเจตนามันปรากฏชัดแก่ตัวเราเองรู้ตนของตนก็รู้แก่ตนก็บอกว่าเออเนี่ยที่เราทำเชื่อเพราะไม่มีใครเห็นไม่มีคนเห็นเอาละคุณไม่ใช่คนเหรอนะยังน้อยก็ตัวเองก็เห็นก่อนระดับแรกก่อนนะนะแล้วไม่ใช่คนเหรอเอาลวทำไมดูถูกตัวเองจังว่าตัวเองไม่เห็นตัวเองล่ะนะหรือตนของตนก็ยังไม่มีมากไปมั้งอ่างนั้นนะนี่ต่อไป บอกว่าบุคคลใดแสวงหาความสุขแห่งตนย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายผู้ปรารถนาความสุขด้วยอาทยาบุคคล น, นี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมไม่ได้ความสุขตัวเองต้องการความสุขมากต้องการความสุขแต่ความสุขอยู่บนความทุกข์ของผู้อื่นหาแต่ความหาแต่เรื่องให้ผู้อื่นเป็นทุกข์เพื่อที่ตัวเองจะได้รับความสุขเขาย่อมไม่ประสบสุขในโลกหน้า โลกนี้จริงๆก็อยู่ด้วยความทุกข์เหมือนกันแล้วก็โลกน่าจะประสบสุขได้อย่างไรเพราะว่าผู้ที่สแสวงหาความสุขด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นนะมีความสุขด้วยการประทุสร้ายผู้อื่นแล้วถามว่าผู้อื่นนี้เขาจะคิดยังไงกับตนพมันคนที่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเบียดเบียนตัวเองมากตัวเองก็จะเดือดร้อนมากมันชาติต่อๆไปก็ไม่ประสบความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเรา ศึกษาพระธรรมถ้าทรงจําหัวข้อที่ว่าอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุและอนาคตผลถ้าเราเห็นบุบคคลใดในโลกนี้ที่ประสบแต่ความทุกข์เราสาวเข้าไปหาเหตุแต่ว่าเขาทําเหตุมาไม่ดีเป็นแน่เขาจึงประสบทุกข์เหล่านี้ทุกในปัจจุบันเหล่านี้สมควรแก่เหตุในอดีตที่เขาทําไปแล้วแล้วคนที่ทําเหตุใหม่ในปัจจุบันล่ะเนีย่ยนะเราอยากให้กรรมเหล่านั้นให้ผลนักหรืออย่างไร เราจึงรีบสาบแช่งเขาให้ให้ความทุกข์มันให้ผลถ้าเขาเป็นญาติเราและความทุกข์มันให้ผลเอาไหมเขาเป็นญาติเราและญาติเราประสบวุัติเหตุเอาไหมเป็นต้นเนี่ยนะก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมถ้าเรามีญาติและญาติของเราถูกฆ่าฉันใดบุคคลที่ทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้เราเห็นเห็นชาติหน้าต่อไปอาจจะเป็นญาติกันก็ได้ เช่นเขาเป็นพ่อเป็นแม่เราเป็นลูกเราเป็นญาติที่เราชอบที่สุดเรารักที่สุดแล้วบุคคล น, นั้นประสบทุกข์เราจะว่าไงนนะเพราะกรรมชั่วของเขาเป็นปัจจัยกรรมชั่วเหล่านั้นตามมาให้ผลทั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าท่านอย่าได้ทำชั่วเลยถ้าท่านทำชั่วท่านไม่รับความสุขรอต่อไปข้างหน้าหรือท่านอยากจะเป็นคนที่สาบแช่งตัวเองอ น, นะเป็นคนที่แช่งชักตัวเองสาบแช่งตัวเอง ขอให้ตัวเองไปที่ไหนก็ขอให้มันเดือดร้อนอย่างที่ว่าความชั่วเนี่ยนะก็ทําด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็นต้นใช่ไหมอย่างถ้าเราฆ่าสัตว์หนึ่งครั้งเนี่ยนะก็สาบแช่งว่าขอให้ตัวเองเนี่ยนะตายแล้วไปเกิดในรกหมกไหมไปเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดณที่ใดก็ให้เขาตามเข็นตามฆ่าตามล่างตามพลานตามเข็นตามฆ่าอยู่ที่ใดก็ขุดเอามาฆ่าให้หมดอย่างเงี้ยมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ขอให้โอ้มาเกิดในครรภ์ของแม่แม่ก็วางยาทําแท้งไว้แล้วตัง้งแต่พอ ร, รู้อ่ะก็วางยาทําแท้งเอาไว้แล้วอย่างเง้ยนะ คลอดออกมาก็ยังไม่นี่ก็แทงตายพราตายคาคลอดแล้วก็หลังจากนั้นมาไม่กี่วันก็ตายก็อายุสั้นไปเรื่อยๆๆเท่ากับสาปแช่งตัวเองตลอดไปเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่ากรรมจะตามทั น, นะที่ใดกรรมตามทันที่ใดก็เดือดร้อนณที่นั้นเพรา ะ, ะความชั่วอย่าคิดว่าเขาจะลืมเรานะหลายๆเรื่องเขาไม่เคยลืมเลยยิ่งคล้ายๆอะไรนะเราไปบางคนเนี่ยนะ ไปกู้สตังคนอื่นมายืมแต่ลืมไปเลยเจ้านี้เขาไม่ลืมด้วยนี่ถึงเวลาเขาก็ทวงมา น, นี่ความชั่วก็เหมือนกันเนี่ยนะเขาไม่ลืมเรารอกอันโยโย่แล้วมันก็ป่วยขึ้นมาเฉยเฉยจะว่าไงเออเพราะมันไม่ลืมเราเนี่ยนี่อีกคาถานหนึ่งที่พูดถึงความชั่วเนี่ยนะเมื่อกี้เนี่ยพูดว่าชั่วเฉพาะตัวนี่มาดูหัวหน้าชั่วบ้างหัวหน้าชั่วๆพาบริวารไปชั่ว บรรดาวัวบรรดาโคที่ข้ามแม่น้ำอยู่ถ้าโคจะฝูงไปคดเมื่อจะฝูงไปคด،หัวหน้าฝูงไปคดวัวเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นวัวหนุ่มวัวงานวัวเล็กวัวน้อยก็จะไปคดฉันใดในหมู่มนุษยก็ฉันนั้นบุคคลใดได้รับการสมมติให้เป็นหัวหน้าถ้าบุคคล น, นั้นประพฤติชั่วด้วยกายว า, าใจ บุคคลอื่นๆก็ไม่ต้องกล่าวถึงเลยก็ทำตามหัวหน้านัา่นแหละถ้าพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาวแว่นแคว้นทั้งปวงก็อยู่เป็นพกุกเพราะฉะนั้นถ้าพระราชาทำความชั่วอยู่นะพวกคนบริวารก็จะทำชั่วด้วยคนในทําชั่วคนกลทำชั่วก็ความชั่วก็ค่อยระบาดระบาดระบาดระบาดไปแว่นแคว้นทั้งปวงก็เต็มไปด้วยความชั่ว เขาเรียกว่าทรราชเนี่ยนะเรียกว่าทรราชพระราชาชั่วคนเดียวบ้านเมืองก็เดือดร้อนทั้งหมดเลยนะเพราะความชั่วของผู้นําถ้าที่ใดมีผู้นําชั่วบริวารทั้งหลายก็ชั่วเหมือนหัวหน้าโคเดินไปคดฝูงโคก็ไปคดฉันใดในหมู่มนุษย์ถ้าได้หัวหน้าเร็วๆโดยมากผู้ตามก็จะเร็วถ้าผู้นําเป็นคนบ้าสงครามบริวารก็ สงครามไปด้วยถ้าหัวหน้าเป็นคนคดคนโกงบริวารก็จะคดโกงเนี่ยนะค่ากันอะไนะขโมยเสร็จแล้วก็ถูกขมายกันอะไรนะแปลว่าอะไรขโมยกับขมายอุตสาหไปโกงเข้ามาแล้วเขาโกงต่อเนี่ยนะยังไม่ได้กินเลยไปสาไปขโมยเข้ามาแล้วคนถูกคนอื่นเขาขโมยต่อไปอุตสาไปโกงทุจริตเข้ามาแล้วคนอื่นเขาทุจริตต่อไปนะนะก็ลักษณะนี้แหละทั้นถ้าได้หัวหน้าชั่ว บริวารทั้งหลายก็จะชั่วถ้าได้หัวหน้าขี้เมามาเนี่ยนะชวนลูกน้องเมาทั้งวันอย่างเงี้ยก็เสียหายมากเพราะฉะนั้นถ้าได้ผู้นําชั่วบริวารก็ชั่วถ้าได้หัวหน้าเป็นคนการเมสุมิชฌาจารย์ก็ใช้ให้บริวารไปหาเด็กเป็นต้นมาบํารุงบําเรอปรนเปรตนมนต์ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้ที่สําคัญมากเขาเรียกว่า ify, หัวหน้าชั่วนี่เขาเรียกว่า ify, เป็นอาศัต ร, รูหลุษยิ่งกว่าอาศัต ร, รูหลุษเป็นคนเลวยิ่งกว่าคนเลวทั้งหลาย แต่เขบอกว่าพูดอย่างนี้ถือว่าเสี่ยงมากานะเสี่ยงยังไงบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคนที่พูดอย่างนี้ถูกฆ่ามานักแล้วเพราะงั้นอา้าวเขบอกว่าไปพูดเรื่องศีลให้คนทู่ศีลฟังเนี่ยชอบที่ไหนมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะในชาดกไอฤศีคนนึงอะ่ะไปพูดพูดเรื่องนี้แล้พูดเรื่องหัวหน้าชั่วหัวหน้าไม่ดีควรจะตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในธรรมถ้าทําความชั่วแล้วมันจะเดือดร้อนอย่างนี้เดือดร้อนอย่างนั้นพระราชานั่งฟังอยู่ด้วยวันนึง บอกไอ้ฤฤษีคนนี้มันเป็นยังไงวะอุตส่าห์ให้เกียรติมาฟังมันนั้วมันนั่งด่าเราอยู่คนเดียวเพราะงั้นก็ลเลยเดี๋ยวเหอะพรุ่งนี้จะรู้กันก็เลยว่าเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านไปฉันที่วังหน่อยก็แล้วกันอย่างงั้นก็เลยนี่มนให้ไปฉันที่วงังแต่ก็เตรียมสุนักละสุนักข้าเนื้อเนี่ยนะสุนักข้าเนื้อเตรียมให้คนนี้เอาหนามมาวางเตรียมให้ขุดซ่วมมาเลยเรียกว่าอะไรนะสูบซ่วมมาตักใส่ตุ่มเป็นต้นในที่สุดฤฤษีกลุ่มนั้นตายเกลี้ยงเลยนะ เสร็จแล้วก็แผ่นดินก็เป็นจุนวิจุนก็เหมือนกันเนี่ยนะฉันใดผู้ที่หัวหน้าชั่วเนี่ยนะหัวหน้าชั่วก็จะพาคนอื่นชั่วภาษาธรรมะใช้คําว่าอาศัตรูหลุษยิ่งกว่าอาศัตรูหลุษเป็นคนพาลยิ่งกว่าเป็นคนพาลเป็นคนเลวยิ่งกว่าคนเลวทั้งหลายเพราะเลวคนเดียวและยังไม่พอชวนคนอื่นเลวไปด้วยเพราะฆ่าคนเดียวยังไม่พอชักชวนคนอื่นในการฆ่าด้วยโกงคนเดียวยังไม่พอชักชวนคนอื่นในการคดการโกงด้วยคือเรียกว่ากาเมสุมิฉาคนเดียวไม่พอยัง ค้าการเมสุมิจฉาจารย์เป็นต้นเมาคนเดียวยังไม่พอผลิตให้คนอื่นเมาทั้งบ้านทั้งเมืองไปหมดเนี่ยนะดั้พวกนี้ก็สร้างแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนให้แต่ก็คิดในในายหนึ่งนะว่าจะไปไหนสิ่งที่เขาทําจะเป็นสมบัติของเขาตลอดไปเพราะมายังนึกในใจเลยว่าเอ๊ะที่เขาทําทําเขาไม่สงสารตัวเองหรื อ, อยังไงเนาะเหมือนอย่างว่ามีเงินมาก็พลานให้มันหมดภายในวันเดียวชีวิตมันยังอยู่อีกนานแล้วจะไปกินอะไรต่อไปคนที่ทําความชั่ว เนะเพราะอาศัยบุญเก่าเป็นปัจจัยก็มาทำความชัว่วถ้าบุญเหล่านี้หมดไปจะไปอยู่ที่ไหนเนอจะไปเดือดร้อนแค่ไหนปานไหนหรือว่าทนได้ยินดีต้อนรับแบบนั้นนะเปิดป้ายติดไว้เลยยินดีต้อนรับบา ป, ปรกรรมทั้งหลายแกจะทาอะไรมาก็รีบประดมเข้ามาเลยนะักขนมาเป็นกองทัพกองทัพมาเลยแบบนั้นนะถ้าแน่ใจขนาดนั้นก็ก็ตามใจเ <c oughs> อกถาหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเหล่านี้เป็นผู้ลำบากอย่างยิ่งกำหนัดในการมาคุณทั้งหลายแล้วก็ย่อมทำบาปคนที่ทำบาปเหล่านั้นย่อมไปสู่อเวจีนรกมีความทุกข์เผ็ดร้อนน่ากลัวเป็นที่อยู่ของสัตว์นรกเป็นอันมากเ น, นนะเพราะความติดใจความหมกมุ่น น, น, นะเพราะความหมกมุ่นเหล่านี้เนี่ยนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขามีไอ้คนฆ่าวัวอยู่คนหนึ่งเรียกว่านายโคคาด ไอ้นายโคคาดนี่เป็นคนพิเศษที่เรียกว่าไม่เหมือนคนอื่นเกิดมาถ้าไม่มีเนื้อโคกินข้าวไม่ได้เรียกว่าถูกถูกเลี้ยงขึ้นมาเพราะฉะนั้นในที่สุดทํำยังไงอะสมัยนั้นไม่มีร้านขายเนื้อแบบสมัยนี้เป็นต้นใช่ไหมก็เลยในที่สุดก็เป็นเจ้าของค่าโคซะเองนะเรียกว่าเป็นเจ้าของร้านค่าค่าโคก็ค่าวันละตัววันละตัวค่าไปเรื่อยๆถ้ามีเทศกาลก็ค่าเยอะหน่อย เน่ยนะก็ฆ่าทุกวันทุกวันเพราะตัวเองเนี่ยติดใจในรถของโคมันถ้าไม่มีเนื้อไม่กินข้าวก็มีวันหนึ่งก็ฆ่าโคเสร็จก็แบ่งเนื้อเนื้อที่เหลือก็ขายก็แบ่งไอ้เนื้อที่ตัวเองชอบชอบเอาไว้เสร็จก็ให้แม่บ้านไปทํากับข้าววางเนื้อเอาไว้ตัวเองก็ไปอาบน้ําระหว่างที่เดินไปอาบน้ําเนี่ยนะไปอาบน้ําที่แม่น้ำมันนะเสร็จแล้วไอ้เนื้อทางนี้เพื่อนของไอ้เจ้าเพื่อนนายโคคาดมาถึงก็เห็นเนื้อก็เลยจับเนื้อออกไปเลยบอกว่ามีแขกมาที่บ้าน บอกโอ้ยห้ามยายายามันเนื้อมันมีอยู่เท่านี้แหละบอกไม่ช่างมันเถอะในคนนั้นมันจะกินอะไรก็ช่างมันก็มันคนข้าโคอยู่แล้วไม่มีกินก็ช่างมันก็เลยเอาเนื้อโคเนี่ไปแม่บ้านนี่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยทํากับข้าวตำน้ําพริกอย่างอื่นไปทั่วไปเนี่ยนะรอสามีสามีไปอาบน้ํากลับมาได้เวลากินข้าวเขามานั่งตั้งวงกําลังจะทานข้าวอ้าวเนื้อไปไหนล่ะฉันบอกให้ทําเนื้อให้ไม่ใช่เลยฉันวางเนื้อไว้เนื้อมันไปไหนโวยวายใหญ่เลย ภรยาก็บอกว่าเพื่อนของคุณนะสิเอาไปแล้วเนี่ยนะฉันห้ามยังไงเขาก็ไม่ฟังแกโกรธมากเนี่ยนะไม่ยอมกินข้าวลุกขึ้นพรวดจับมีดข้างฝาเรือ น, นั่นแหละเดินลงดุมดุมดุมเข้าไปในคอกโคแล้วก็เอื้อมมือเข้าไปจับปากโคแล้วก็ล้วงดึงลิ้นออกมาแล้วก็ตัดลิ้นแผลไปเสร็จแล้วก็มาให้แม่วาเอาไปปิ้งเนี่ยนะเอาไปย่างย่างเสร็จก็มาทํากลับแกล้มจิ้มอร่อยมากะนะ ผ่นไปหนึ่งชิ้นแล้วก็จิ้มน้ําจิ้มเคี้ยวหนึ่งกรอบขนาดลิ้นตัวเองหลุดเลย น, นะลิ้นตัวเองก็หลุดออกมาก็ร้องเหมือนคนข่าโคเพราะข้าโคมานานร้องอยู่นั่นแหละหลายวันเนี่ยนะในที่สุดก็ตายตา ย, ตายแล้วก็ไปสัวเวจีนรกก็เขาเขามีเรื่องเล่านะอย่างบางคนเนี่ยนะที่เป็นคนไถนาไถนาชนิดว่าโคลิ้นห้อยอะ่ะควายลิ้นห้อยเนี่ย ในที่สุดคนเหล่านี้เนี่ยนะพอก่อนจะตายลิ้นห้อยลิ้นยาวเลยนะเป็นคนลักษณะหอบผือนะนะหอบมากเลยหอบผือรอวันตายเนี่ยนะอย่างหลายๆคนที่เจอมานี่คล้ายๆเป็นอย่างนั้นทนะั้รก็พวกนี้ก็ทรมานเบียดเบียนสัตว์มาในที่สุดตัวเองก็เดือดร้อนทีนี้ถ้าไปอเวจีแล้วไอ้บาป ท, ที่ตัวเองทําไว้เนี่ยมันก็ทะลักเข้ามาแลนะ้วเนี่ยคําว่าอเวจีนรกเนี่ยแปลว่าอเวจีโดยสัมแปลว่าไม่มีอะไรขั้น หมายว่ามูสัตว์นี่ไม่ต้องไปนับว่ามันเท่าไหร่เขาบอกเออัดอยู่เหมือนธนานดีบุกบบนะเหมือนกับว่าพื้นที่เป็นหมื่นกิโลเมตรเนี่ยนะเออเป็นเป็นแสนกิโลเมตรแล้วก็สัตว์เนี่ยไม่มีว่างเลยเออัดยัดเยียดอยู่เหมือนกับผงธนานดีบุกใส่แล้วก็เปลวไฟเนี่ยนะมันแผ่ไปทุกอนูและวคุ้มขนเนี่ยนะพันธ์ก็เลยเรียกว่าอเวจีพันธ์ถ้าไปถึงที่นั่นแล้วก็อายุเนี่ยไม่ต้องนับจํานวนปีละคิดว่า โกรล้านปีก็ไม่ต้องนับเหมือนนะล้านล้านปีนั่นแหละล้านล้านปีนกว่าจะหลุดออกมาท่านถ้าไปแล้วเกเรื่องยาวเลยเพราะคนที่ติดใจเพลิดเพลินลุ่มหลงอ่ะนะไม่รู้ทุกที่จะมีต่อไปข้างหน้ายอมทําบาปทํำอกุศลไม่รู้รอกว่าทุกขที่จะมีต่อไปข้างหน้ามันเผ็ดร้อนเจ็บปวดปานใดตอนที่ทําอาจจะสนุกอาจจะมีความสุขบ้าง แต่ผลแห่งความชั่วที่ทำเนี่ยนะมันมันเจ็บปวดมันเร่าร้อนยิ่งนักนะก็ยังไงยังไงก็อะไรน ะ, จะเจริญพรวิหารให้แก่ตัวเองบ้างจชหมจะสาบแช่งตัวเองไปถึงไหนจะผูกอาฆาตจองเวรพยาบาทให้แก่ตัวเองไปถึงไหนจะทําความชั่วจะทําความเดือดร้อนให้ตัวเองไปถึงไหนวันถ้าเรามีเมตตาต่อตัวเองก็หันหน้าบ่ายหน้าตัวเองเข้าไปหาประโยชน์ อะไรที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็ตัดออกไปยินดีที่ตัวเองได้ประสบความสุขและความเจริญแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าเราเองก็เป็นผู้ที่มีกรรมเป็นของงองตนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พระพิสุพิจารณาบ่อยๆเรียก ว, ว่ า, าพินหปัจเวกเนี่ยนะบัประชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลาดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นแปลว่าตายแน่ไม่นานท่านก็จะตายแล้วว่างั้นเถอะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยนะ ว่าพระพิสุต้องคิดตัวเองเดี๋ยวก็ตายแล้วถ้าตายแล้วมันจะเป็นเหลืออะไรมันต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่เมื่อตายไปแล้วเราเองบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอะไรไว้บุญหรือบาปดีหรือชั่วกัะละยานนางวาปาปังวาตะสะทายาโทภวิสามิเนี่ยนะเรานั่นแหละจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น คิดดูว่าสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดนั่งยิ้มรับอันนะเขียนป้ายเลยเวลานะ้ยินดีต้อนรับนำเล็กทับเขียนป้ายไว้หน้าบ้านอย่างเงี้ยเลยยินดีต้อนรับกรรมทั้งหลายที่เคยทําไว้ในอดีตนะนะก็บอกว่าถ้ากรรมชั่วก็เหมือนกับศัตรูมาเยี่ยมนะถ้ากรรมดีก็เหมือนญาติมามาเยี่ยมก็เรียกว่าอะไรนะสิ่งที่เราทําแล้วก็คงเอาว่าเออใครจะมาเยี่ยมเราเนี่ยนะ นั่งยิ้มรับหรือว่าแหมหลอกซ่อนน่ะนะแอบแอบอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะกลัวเขาจะเห็นพั้นสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดนี่แหละคือสมบัติของเราพันพบต่อต่อไปเราจะใช้ชีวิตเกิดมาด้วยความหวาดระแวงหรือว่าเกิดมาแล้วจากเป็นเช่นใดเนี่ยนะยังไงยังไงก็อย่าไหลไปสู่อเวจีเลยถ้าถึงอเวจีแล้วมันยุ่งะนะแต่ก็อย่างว่านะเขาก็ทนกันอยู่ได้นะไม่เคยไออเวจีก็ไม่ค่อยมีช่องว่างอะนะเต็มสู่เสมอ ถ้าเราเข้าไปอีกก็ไม่ทำให้มันเพราะอะไรนะไม่มีคาว่าลดมันเต็มอยู่สม่าเสมออีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสปรารภพระเทวทัตเนี่ยนะทูเป็นนักบวชว่าลาบสการะลาบแปลว่าได้สการะคือการนับถือการบูชาการเทิดทูนการได้การถูกยอมรับการถูกบูชาและเทดิดทูล ลาบสการะเหล่านี้จริงๆแล้วก็เป็นผลของบุญที่เคยทำไว้ในอดีตลาบสการะเหล่านี้การได้การถูกยกย่องสรรเสริญย่อมฆ่าบุรุษผู้ต่ำสามเป็นคนไร้ปัญญาลาบสการะเหล่านี้มาฆ่าตนเหมือนกับผลของกล้วยฆ่าต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยนะที่มันถูกตัดก็เพราะมีลูกกล้วยคุ้ยไผ่ที่ต้นไผ่มันตายก็เพราะมีคุ้ยไผ่ ตนอ้อถูกฆ่าก็เพราะเพราะอะไรเพราะดอกอ้อม้าอัสดรที่อยู่ในคันก็ฆ่าแม่ม้าชั้นนั้นมันก็กลาบสการะเรียกว่าลาบยศสรรเสริญเกิดขึ้นแก่บางคนมีเพื่อฆ่าตนแท้ๆอะไนะอย่างบางคนเนี่ยมีมีลาบเอาลาบไปทําอะไรก็อย่างว่ามีวัตถุบริบูรณ์ด้วยสรรพสิ่งได้รับการยอมรับนับถือ การได้รับการยอมรับนับถือสิ่งเหล่านี้เอาไปทไําไหมเพราะฉะนั้นเอ่อกใช้คํควาว่าเมื่อร่ํารวยแล้วเอาสิ่งที่ร่ํารวยเอาไปทําอะไรบางคนเนี่ยตั้งใจว่าขอให้มั่งมีพวกข้ัพย์จะได้เมาชนิดที่เรียกว่าไม่สั่งยมคนหนึ่งก็ขายที่ได้เงินมาหลายล้านแกสั่งเหล้าสั่งเบียมาไว้แทบจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะมือซ้ายกับเบียรมือขวากวับเบียรทําไปดื่มไปสูบบุหรี่ไปตอนนี้ตายหรือยังไม่ทราบนะี เอาขนาดนั้นเลยแทบไม่เคยสั่งเลยนะแอลกอฮอล์มีอยู่ในเส้นเลือดตลอดเวลาทีนี้พอเมาแล้วก็บาปอย่างอื่นก็ตามเข้ามาอีกบานเบอะเลยนั้นเขาไอาการได้การมั่งมีของเข่าเหล่านั้นเพื่อฆ่าตัวเองแท้ๆทีนี้พอเล่าเข้าคอแล้วบอกว่ากินปลากินปลาตายไม่ได้ต้องไปหากินแบบเป็นๆที่มาของปลานาธิบาตอธินนาทาน น, นะลืมเมียลืมอะไรหมดก็ไปหาคู่ใหม่ก็ไปเรื่อยเนี่ยนะในที่สุดก็ไปตาย ตายแล้วจะไปไหนน้อ no, เนี่ยนะาชาติหน้าเขามาเปิดเป็นญาติเราจะว่าไงเนะี่ยกลัวจริงๆเลยนะกลัวว่าพวกทาบาปเหล่านี้แล้วไปเกิดได้จะเจอญาติเรานั้นเนี่ยนะแหมจเจอญาติบางคนชาตินี้ก็เข็ดจนตายแล้วกลัวจะตายแล้วมีญาติบางคนโอ้ยทําไมมันเกิดมาฆ่าตัวเองอะไรจะมากมายขนาดนั้นไล่แล้วบางคนเนี่ยนะซีนห้ามันไม่มีแม้แต่ข้อเดียวนะนันปานาติบาศเนี่ยมันอาชีพประมงเป็นหลัก อธินนาธานพอมันได้โอกาสมันโกงสารพัดโกงเลยนะแล้วก็การเมสุมิชขาจาร์เนี่ยไม่รู้มันทําได้ยังไงเกือบจะว่าเปลี่ยนไปเรื่อยอนะไอ้คาพูดนี่ไม่ต้องไปพูดเราหวังว่ามันจะพูดจริงสักเรื่องหนึ่งไม่มีหรอกแล้วก็เมาก็ไม่ค่อยสางนักเลงการพนันก็ปานนั้นบอกโอ้ยให้ห่างๆกันไว้ดีคนผ่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่นับว่าเป็นญาติของั้นคนผ่านคนชั่วคนค น, คนทําอกุศลไม่นับว่าเป็น ญาติคนที่เป็นญาติปกติก็ต้องนําสุขและโศมันัดมาให้กันบ้างนะถ้าสร้างแต่ความเดือดร้อนให้ก็ไม่นับว่าเป็นญาติเ่ากันมันการมีของเขาเหล่านั้นบางคนเนี่ยมั่งมีเพื่อฆ่าตัวเองพผลลาบสการะเกิดขึ้นแก่บางคนเกิดเพื่อฆ่าตัวเองแท้ๆอย่างอํานาจมีแก่บางคนเนี่ยมีเพื่อฆ่าตัวเองมีอํานาจขึ้นมามีอํานาจเพื่อจะมาประทุสรายตัวเองเ่ยนะมีกษัตริย์ไม่ใช่น้อย เกิดมาเพื่อฆ่าล้างผลาญชาวโลกนะนะค่าค่าฮิตเลอร์นะฮิตเลอร์เนี่ยเกิดมาเพื่อเพื่อสร้างบาปกรรมให้แก่ตัวเองเชนิด้ถ้าเรียกว่าโอคงถูกฆ่าไปอีกหลายหมื่นชาติเนี่ยนะอย่าว่าชาติเดียวเลยรู้ว่าอย่าว่าห้าร้อยชาติไม่รู้กี่หมื่นชาติก็ไม่รู้หรือว่าอะไรนะกษัตริย์กษัตริย์รัสเซียนะชื่อว่าอีวาพระเจ้าซาที่หนึ่งนั่นก็โอ๊ยสุดยอดเลยหาได้ยากหลืออะไรนะเจงกิสคานใช่ไหม โอยฆ่าฆ่าฆ่าเที่ยวฆ่าไม่รู้ฆ่าไปทําไมก็ไม่รู้เที่ยวฆ่าไปเลยในที่สุดตัวเองก็ไปตายเห็นั้นมันได้อะไรขึ้นมาจากการเข็นการฆ่าเสร็จแล้วสมบัติในโลกนี้ใครมีบุญคนนั้นก็ใช้ไปใครหมดบุญก็ถูกเขาเขี่ยออกไปเนี่ยนะก็มีอยู่เท่านี้แหละไม่เชื่อพอเราเนี่ยจุติเนี่ยเขาจะเอาไว้กี่วันเชื่อใช่ไหมก็ดูไว้ในบ้านก็ยังกลัวลูกหลานจะนอนไม่หลับนะเขามีใ้คนหนึ่งนะ พอตายไปแล้วเนี่ยลูกหลานบอกกระดูกยังไม่เอาไปวัดแค่นั้นอนะ่ะลูกมันนอนไม่หลับไม่นอนนะมันกลัวจะตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเขาจะเพวยอหูเว้ยรักเรามากห่วงเรามากออย่างนั้นอย่าไปสําคัญตัวอะไรมากมายเลยเนี่ยนะยังพอที่เขายังนับถือบ้างก็พะมีผลประโยชน์ให้แก่เข้าได้หรอกแต่ลองหมดผลประโยชน์แล้วเขาก็เคลียร์ออกไปแล้วเนี่ยน ะ, ะอาจจะอะไรนะก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละวัวะตตา อีกคาถาหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้คนที่มักโกรธและมักหลบลบหลูค่คณของผู้อื่นเป็นคนที่หนักหนักในลาบสการะไม่งอกงามในพระสัทธรรมเหมือนพืชที่เสียย่อมไม่งอกงามในนาที่ดีฉะนั้นหมายว่าเอากแกลบไปหวานในนาดีเนี่ยจะพ่อขึ้นไหมไม่ขึ้นฉันใดใครที่มีนิสัยมักโกรธก็เหมือนกันโกรธให้หมดเลยเนะนี่ เรียกว่าหาเที่ยวหาความผิดแต่ละคนเนี่ยเลวอย่างนั้นเรียกว่าเก็บสถิติข้อมูลความเลวได้จากทุกคนไม่มีดีสักคนมีแต่มีแต่ชั้นดีอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะในโลกนี้เห็นกับชั้นนี่แหละดีที่สุดนะนะคนอื่นเลวหมดเลยเลวดังต่อไปนี้เรียกว่าจารณาความเลวของคนอื่นได้หมดเลยเรียกว่าคนมากโกรธเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลบหลูค่คณคนอื่นคนอื่นเขาทําดีมาไหนแค่นั้นนะเน่ยนะจะไปสักกี่น้ําก็ว่างั้น เรียกว่าลบลูเรียกว่าคนอื่นก็มีความดีหน่อยก็ไปลบทิง้งซะหมดนะนะเหมือนอะไรคำว่าลบอ่ะลบ ก, ก็คือลบทิ้งปาดทิ้งตัดทิง้งเอาเหมือนแค่นั้นแหละได้มีกี่น้ำรกเนี่ยนะส่วนตัวเองก็เป็นคนที่หนักในลาบสกราระหนักในชื่อเสียงคนเหล่านี้ไม่งอกงามในอริยสัจธรรมไม่งอกงามในศีลไม่งอกงามในสมถวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วไม่งอกงามใน ที่ปัจจัยธรรมไม่งอกงามในคุณงามความดีในพระศาสนานี้เพราะตัวเองเป็นกลุ่ ม, มเมล็ดพันธุ์ที่เสียแล้วเป็นมเมล็ดเน่ามาเพราะในพระพุทธศาสนาไม่ขึ้นรอกเนี่ยนะเพราะว่าอะไรเพราะศีลเอ่อความกโกรธความลบหลู่เป็นศีลไหมก็ไม่ใช่ศีลก็คือโทสะหนักในลาบสาการะก็คือโลภะคําสอนพระพุทธเจ้าสอนอโลภะอโทสะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะที่กําจัดความโลภสอนคําสอนที่กําจัด ความโกรธพันธาเขาหนักไปในทางความโกรธหนักในบาปและอกุศลเรียกว่าหนักในความโลภเขาจะเจริญในอธิษีนอธิจิตอธิปัญญาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เสียในพระพุทธศาสนาเพราะไม่ขึ้นไม่งอกเงยอันนี้ก็เป็นพวกสังกิเลสเนี่ยนะ